ตอนที่29ตเก้าตาอวีต้อนรับประมุขพระองค์ใหม่หิมะนี้ตกได้ไม่ถูกเวลาจริงๆเบื้องหน้าฝูงชนหวังรุ่ยอาคารเสนนาบดีฝ่ายขวาขมวดคิ้วพางมองดูหิมะที่โปรยปลายลมพัดแรงจนทงทิวทุกคนแห่งโบกสะบัดทว่าความสนใจของหวังรุ่ยกลับอยู่ที่อื่นบนแท่นพิธีสูงประงาน ใหหวงเทฮาสุลีหวงเทฮาสวีเจรนและฮองฮาหวงังซิ่วต่างสวนฉลองพระองค์เต็มยศยืนแยกกันอยู่คนละตำแหน่งสตรีผู้สูงศักดิ์ทั้งส ม, มีสีหน้าเ ค, คร่งขรึมรัศมีอำนาจแตกต่างกันไปในวาระโอกาสที่เป็นทางการเช่นนี้ไม่มีผู้ใดกล้าสเสียมารยาทเหลือมองสำหรับกลุ่มคนที่เป็นแกนกลางของต้าอวีพวกเขาจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางการเมืองรูปแบบใหม่เมื่อพระราชาพิธีขึ้นครองราชนี้เริ่มต้นขึ้นต้นตาอวีก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยที่ฝ่ายในเข้ามามีส่วนร่วมในราชกิจอย่างเตต็มัว การรวมตัวกันของสตรี3รุ่นทั้งรุ่นเก่ารุ่นกลางและรุ่นเยาว์เช่นนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของต้าอวีแม้แต่ในราชวงศ์ก่อนก่อนก็หาได้ยากยิ่งที่จะมีสถานการณ์เช่นนี้จักรพรรดิยังยาว์ทว่าฝ่ายในเข้มแข็งเชื่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นในราชวงศ์ก่อนก่อนแต่กระ์นั้นอย่างมากที่สุดก็มีเพียงสองตำแหนักหลังที่ร่วมว่าราชการซึ่งนั่นก็คือพระชนนีโดยชอบธรรมและพระชนนีผู้ให้กำเนิดของจักรพรรดิที่ร่วมกันบริหารในฐานะสองตำแหนักหลัง เพราะว่าการที่สามตําหนักหลังร่วมว่าราชการนั้นไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่บัดนี้มันกลับกลายเป็นความจริงในต้าอาวีขึ้นสู่แท่นพิธีเมื่อเสียงขันนมดังขึ้นหวังรุ่ยก็รวบรวมสมาธิสายตาจับจ้องไปยังจุดเดียวที่เบื้องล่างของแท่นพิธีชูหลิงผู้สวมฉลองพระองคุนฝูสําหรับอรสวรรค์ยืนหยัดอยู่ท่ามกลางลมหนาวและหิมะร่างกายที่ดูผอมบางส่วนสูงที่ยังเล็กจอย นี่คือประมุกพระองค์ใหม่ที่ต้าอาวี๋กาลังจะต้อนรับสายตามากมายที่จับจ้องไปยังแผ่นหลังของจักรพรรดิพระองค์ใหม่ต่างเผยความรู้สึกที่หลากหลายบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดมีเพียงลมและหิมะที่พัดผ่านกัิมะร่วงหล่นลงบนวรากายของชูหลิงพระราชพิธีขึ้นครองราชนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะทนรับได้จริงๆชูหลิงที่ยืนอยู่ท่ามกลางลมหิมเหมยหน้ามองแท่นพิธีสูงเบื้องหน้าขั้นบันไดแต่ละขั้นที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะทอดยาวไปสู่เบื้องบนทว่าในยามนี้ชูหลิงกลับรู้สึกทอดถอนใจเล็กน้อย กว่าจะมาถึงจุดนี้ชูหลิงต้องเดินทางไปหลายแห่งยามนี้เขารู้สึกเหนื่อยล้ายิ่งนักท้องไส้ก็ส่งเสียงร้องประท้วงตั้งแต่เมื่อวันนี้ชูหลิงแทบไม่ได้เสวยสิ่งใดเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากแต่เป็นเพราะไม่สามารถทำได้กฎระเบียบและจารีดประเพณีของต้าอาวี่นั้นเข้ <c oughs> มงวดเคร่งครัดยิ่งนักในแต่ละวาระโอกาสต้องปฏิบัติตามจารีตอย่างไรมีข้อกำหนดไวอ้อย่างชัดเจนในฐานะอรสวรรค์แห่งต้าอาวี่ย่อมต้องเป็นแบบอย่างให้แก่ใต้ล่า เมื่อก้าวขึ้นสู่แท่นพิธีนี้ทำพิธีเส้นไหว้ฟ้าดินอ่านราชโอ่งการขึ้นครองราชสร็จสิ้นค้าก็จะกลายเป็นจักรพรรดิแห่งต้าอาวีอย่างแท้จริงแล้วสายตาของชูหลิงมองไปยังแท่นพิธีสูงความรู้สึกในใจยิ่งพลุ่งพล่านทว่าเมื่อเห็นร่างของสตรีทั้งสาชูหลิงกลับขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางถอนหายใจในใจแต่ทิงจะเป็นจักรพรรดิแห่งต้าวิแล้วอย่างไรเล่าหากคิ้จะกลุ่มอำนาจบริหารด้วยตนเองหากไม่ข้ามผ่านภูเขาสูงสามลูกเบื้องหน้านี้ไปให้ได้ย่อมไม่มีทางเป็นความจริงไปได้เลย เมื่อคิดได้ดังนั้นชูหลิงก็รัางชายฉลองพระองค์ขึ้นแล้วก้าวเท้าขึ้นสู่บันไดเบื้องหน้าคุกเขา่าเมื่อร่างของชูหลิงเริ่มเคลื่อนไหวเสียงขาน ร, รับก็ดังขึ้นตามมาด้วยเสียงขาน ร, รับที่ต่อกันเป็นทอดทอดฝุงนชนที่อยู่เบื้องหลังต่างพากันคุกเข่าลงโดยพร้อมเพรียงหมอบกราบ ชูหลิงได้ยินเสียงจากเบื้องหลังแต่เขากลับก้าวเดินต่อไปโดยไม่วอกแวกเบื้องหลังของเขานั้นคือเหล่าขุนนางบุญบญูเชื้อพระวงศ์และกลุ่มบุคคลสาคัญของต้าอวี๋พวกเขาต่างปฏิบัติตามจารีประเพณีกระทําพิธีหมอบกราบอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้การเป็นพยานของฟ้าดินเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างที่สุดต่อประมุกพระองค์ใหม่ถ้ว่าในบรรดาคนเหล่านี้จะมีสักกี่คนที่ยอมสยบต่อชูหลิงจากใจจริงนั่นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครบอกได้ในวันนี้พื้นที่แห่งนี้ถูกกาหนดให้เป็นของชูหลิง ในฐานะจักรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์เขาต้องผ่านพระราชพิธีขึ้นครองราชอันซับซ้อนเพื่อทำพิธีเส้นไหว้บอกกล่าวต่อฟ้าดินและประกาศให้ใต้ล่าได้รับรู้ว่าแม้ต้าอาวีจะสูญเสียต้าสิงห้องต้ไปพระองค์หนึ่งแต่ก็ได้ต้อนรับประมุขพระองค์ใหม่มาแทนที่สิ่งนี้เป็นตัวแทนว่าราชวงศ์อวีจะมั่นคงสถาพรและหลักฐานของแผ่นดินจะสืบเนื่องต่อไปการเกิดแก่เจ็บตายเป็นวิธีแห่งสวรรค์แม้แต่จักรพรรดิก็ไม่อาจหลีกหนี ดังนั้นไม่มีจักรพรรดิองค์เก่าร่วงลับย่อมมีจักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นมาแทนชูหลิงก้าวเดินขึ้นไปอย่างมั่นคงแทนพิธีที่สร้างขึ้นนั้นสูงมากทำให้มีขั้นบันไดามากมายชูหลิงต้องก้าวเดินอย่างระมัดระวังในทุกย่างก้าวจำนวนขั้นบันไดมีไม่มากไม่น้อยไปกว่าหนึ่ง้แดขั้นหากเป็นเวลาปกติการจะเดินขึ้นบันไดจำนวนมากขนาดนี้ในรวดเดียวคงทาให้เหนื่อยหอบไม่น้อย อีกทั้งวันนี้หิมะยังตกแม้บนบันไดจะปูด้วยผ้าแดงแต่หิมะที่ทับถมอยู่ด้านบนก็ทําให้บันไดเลื่นอยู่บ้างต้องมั่นคงเข้าไว้ต้องมั่นคงให้ได้ชูหลิงที่ก้าวเดินไปในแต่ละขั้นคอยบอกตัวเองในใจตลอดเวลาในขณะที่กําลังปีนขึ้นสู่แท่นสูงเขาจะพลาดพลั้งเลื่นนถลายไม่ได้เด็ดขาดยิ่งไม่ต้องพูดถึงการตกจากบันไดาหากเกิดอุบัติเหตุเช่นนั้นขึ้นเขาจะต้องตกเป็นเป้าสายตาและคําคอรหายอย่างแน่นอน ไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เขาทําไว้ในตําหนักโซ่หงก่อนหน้านี้ความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นอาจจะพลิกผันไปในทางเลวร้ายทันทีและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาคงต้องเผชิญกับคําตําหนิและข้อพิพาทมากมายต้องขึ้นไปให้ถึงอย่างปลอดภัยนะหลี่จงที่อยู่เบื้องล่างแทน่นพิธยามนี้กำหมัดแน่นสายตาคอยเหลือบมองไปยังแท่นสูงเป็นระยะสําหรับพิมะที่ตกลงมานี้เป็นสิ่งที่หลี่จงคาดไม่ถึง ในยามที่พระราชพิธีขึ้นครองราชเริ่มขึ้นหลี่จงกังวลเหลือเกินว่าจาักรพัฒด์ผู้สื่อพระราชสันติวงศ์จะก้าวขึ้นสู่แท่นสูงได้อย่างไรหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในช่วงเวลานี้เรื่องราวคงจะบานปลายใหญ่โตแน่บรรยากาศอันตึงเครียดแผลซ่านไปทั่วบริเวณในยามนี้แม้คนจำนวนมากจะคุกเข่าอยู่บนพื้นแต่ความคิดของพวกเขากลับจดจ่ออยู่เพียงจุดเดียวแม่แต่ในหมู่ฝูงชนยังมีบางคนแอบรอบมองจักรพัฒน์ผู้สื่อพระราชสันติวงศ์ที่กำลังก้าวขึ้นสู่แท่นสูงเวลาผ่านไปทีละวินาที ชูหลิงเหยียบลงบนบันไดขั้นที่104ร่างของฮองเฮาหวังซื่อปรากฏแกสายตาของเขาหวังซิ่วที่ยืนอยู่ที่บันไดขั้นที่105่้าก้มมองชูหลิงที่กำลังพยายามสะกดอาการหอบเหนื่อยนางขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ก็ยังยอมถอยออกไปด้านข้างชูหลิงพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นจึงก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่105แต่เขายังไม่รีบร้อนเดินต่อเบื้องหน้าของชูหลิงคือหวงเท้าซวีเจินที่ยืนรออยู่ เมื่อมองลงมายังชูหลิงที่สวมฉลองพระองคุ่นฟูมือของสวีเจิร์นก็สั่นเทาเล็กน้อยขอบตาเริ่มแดงก่ำดูเหมือนว่าการได้เห็นฉลองพระองค์ชุดนี้จะทําให้สวีเจิ์นนึกถึงบางสิ่งบางอย่างทว่าสวีเจินก็ยังคงถอยออกไปด้านข้างนึกถึงต้าสิงห้องตี้นั้นหรือในขณะที่ชูหลิงก้าวเดินต่อไปเขาก็คิดในใจว่าก็ใช้ต้าสิงห้องตี้ชูฉีสวรรคตในเวิชการต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่คนผมขาวต้องส่งคนผมดําห่วงให้เฮาผู้นี้จะไม่รู้สึกสะเตือนใจได้อย่างไร จักรพรรดิผู้สือ่อราชสันติวงศ์และเมื่อชูหลิงก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่1นึ้อเสียงของเทห่วงทเทเฮาสุนหลีก็ดังขึ้นทําให้ชูหลิงรวบรวมสมาธิและเงยหน้าขึ้นมองด้วยสีหน้าจริงจังเห็นเพียงสุหลีถือสิ่งหนึ่งไว้ในมือยามนี้นางกําลังก้มมองชูหลิงชูหลิงก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่1นึ้ยยืนประจันหน้ากับไทห่วงทเทเฮาจากนั้นจึงยกมือทั้งสองข้างขึ้นเมื่อสุนหลีเห็นดังนั้นก็นำกระบี่อรสวรรค์นในมือส่งมอบให้แก่ชูหลิง ตามกฎระเบียบตั้งแต่เริ่มก้าวขึ้นสู่แทน่นพิธีจักรพรรดิผู้สื่อราชสันติวงศ์จะต้องพกพากระบี่อรสวรรคก้าวขึ้นสู่แทน่แทนสูงทีละขั้นเพื่อทำพิธีเส้นไหว้ฟ้าดินทว่าในยามนี้ผู้ที่กลุ่มอำนาจที่แท้จริงคือสามตําหนักหลังดังนั้นกฎเกณฑ์บางอย่างจึงถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างเงียบเชียบซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่มีผู้ใดคัดค้านใครที่กลุ่มอำนาจผู้นั้นย่อมมีสิทธิขาดในการตัดสินใจคำกล่าวนี้ไม่ผิดเพี้ยนเลยแม้แต่น้อย ในช่วขณะที่ชูหลิงรับกระบี่อรสวรรค์มาเขาได้สัมผัสถึงความยินเยียบของฝักกระบี่แต่เขากลับไม่มีความลังเลใดๆนำกระบี่อรสวรรค์มาเนบไว้ที่เอลจากนั้นภายใต้สายตาของ3ตําหนักหลังเขาก็เชิดหน้าก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่หนึ่ข้าได้รับพระเมตตาจากสวงสวรรค์ในฐานะโอรสของจักรพรรดิเวิร์นไทจงผู้ล่วงลับที่ครองนครรัฐอาศัยบุญบารมีที่สั่งสมมาของบุญพระกษัตริย์รับราชองคการจากชื่อเสียงตัวโยกขังโซ่เท ห, ห่วงไทเหา เซิงเลียเจออาะอวีฉือเส้วยห่วงเที่ยวเาและจงสู้ฮองเฮาอีกทั้งรับราชโองการสุดท้ายจากพระเชษฐาต้าสิงหงตี้ในชั่วขณะที่ชูหลิงก้าวขึ้นไปถึงเสียงขาน ร, รับประกาศราชโองการก็ดังขึ้นเป็นทอดทอดราชโองการขึ้นครองราชที่เป็นตัวแทนของชูหลิงฉบับนี้ถูกอ่านประกาศต่อหน้าฟ้าดินและเหล่าขุนนางบุญบูญอย่างกึกก้องทว่าในยามนี้ความคิดของชูหลิงกลับไม่ได้จดจ่ออยู่ที่เนื้อหาเหล่านั้นเลยเขาสัมผัสได้ถึงความหนาวเหน็บลมหนาววิดวิวพัดมาพร้อมกับพิมพ์สีขาว ยิ่งสูงยิ่งหนาวเหน็บเมื่อเขาได้ยินเสียงขานประกาศนี้ความรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็จู่โจมเข้ามาชูหลิงรู้ดีว่าสามตำหนักหลังที่ได้รับพะยศเพิ่มก่อนเริ่มพิธีจะปรากฏตัวอย่างเป็นทางการทันทีที่พิธีราชาพิเศษเสร็จสิ้นเขาได้กลายเป็นประมุขพระองค์ใหม่ของต้าอวี๋อย่างเป็นทางการและชอบทําผ่านพิธีนี้ทว่าตัวเขาที่ยังเยาว์วัยกลับไม่อาจจะกลุมอํานาจได้เลยแม้แต่เรื่องที่จะต้องผเผชิญในภายภาคหน้าเขาก็ไม่อาจล่วงรู้ได้ เวทีที่เป็นของชูหลิงดูเหมือนจะปิดมาตลงในช่วขณะนี้ทว่าในยามที่ชูหลิงค่อยๆหันกายกลับมาและมองลงไปยังทุกสิ่งเบื้องหน้าในใจของเขากลับลุกโชนด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เขาจะไม่ยอมเป็นจักรพรรดิหุ่นเชิดและยิ่งไม่ยอมเป็นจักรพรรดิที่ถูกถอดถอนในภายภาคหน้าแม้หนทางจะขรุขระยากลำบากเพียงใดเขาก็จะเชิดหน้าเผชิญกับมันอย่างองอาจ